ชวนพี่น้องชาวไทยและพุทธบริษัททั้งหลายได้รีบมาสะสมบุญกุศลอันเกิดจากองค์หลวงตาเป็นผู้ดำริและเป็นผู้นำทางตามกำลังของตนโดยพร้อมเพรียงกันขอให้มั่นใจเถิดว่าเมื่อท่านสะสมบุญกับหลวงตาพระผู้บริสุทธิท์สุดส่วนแล้วเมื่อถึงเวลาที่ผลของทานที่ทำไว้แล้วส่งผลท่านยอมพลังพร้อมด้วยอริยทรัพย์ภายนอกและภายในและเป็นผู้ที่มีอายุวันณนะสุขะพละ ปฏิพานทนาสารสมบัติอีกทั้งสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรานนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามกำลังของกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งย่อมให้ผลอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการทั้งในพบนี้และในพบต่อๆไปแน่นอนลงชื่อจันแจมสุวรรณเกต